โคจกาทิวิสัชนาท่าสิบเจ็ดไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ธรรมะท่าที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีท่าสิบหกเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทาสองที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีทีท่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีท่าสิบหกวิปยุจจากนิวรณ์ท่าสองที่สัมปยุจ ด, ด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุจจากนดดิวรณ์ก็มี ห้สิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณหรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีธรรมธาตุที่เป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ on, ก็มีธรรมะท่าที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์ on, และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีท่าสิบหวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ ท่าสองที่วิปยุ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุ์จากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุ์จากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีเกประมาสโคจกวิสัชนาทาสิบเจ็ดไม่เป็นปรามาสธรรมท่าที่เป็นปรามาก็มีที่ไม่เป็นปรามาธก็มี ท่าสิบหกเป็นอารมณ์ของปรามาตท่าสองที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีท่าสิบหกวิปยุจจากปรามาตมโนวิญญาณท่าที่สัมปยุจด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุจจากปรามาตก็มีธรมมท่าที่สัมปยุจด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุจจากปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุจด้วยปรามาตหรือวิปยุจจากปรามาตก็มี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 ที่เป็นอารมณ์ของปราม่าแต่ไม่เป็นปรามาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปราม่าและเป็นอารมณ์ของปราม่าหรือเป็นอารมณ์ของปราม่าแต่ไม่เป็นปรมาก็มีทาสิบหกวิปยุจจากปรม่าแต่เป็นอารมณ์ของปรม่าท่าสองที่วิปยุจจากปราม่าแต่เป็นอารมณ์ของปรามาก็มีที่วิปยุจจากปรม่าและไม่เป็นอารมณ์ของปรมาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปยุจจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตหรือวิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี10มหันตระทุกกวิสัชนาถ้าสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าเจดรับรู้อารมณ์ได้ ธรรมะท่าที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีท่าเจ็ดเป็นจิตท่าสิบเอ็ดไม่เป็นจิตท่าสิบเจ็ดไม่เป็นเจตสิกธรรมะท่าที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีท่าสิบวิปยุจจากจิตธรรมะท่าที่สัมปยุจด้วยจิตก็มีที่วิปยุจจากจิตก็มีท่าเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุจด้วยจิตหรือวิปยุจจากจิต ท่าสิบไม่เราคนกับจิตธรรมะท่าที่เราคนกับจิตก็มีที Manufact ่ไม่เราคนกับจิตก็มีท่าเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่าเราคนกับจิตหรือไม่เราคนกับจิตท่าสิบสองไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทาาหกที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีท่าสิบเจ็ดไม่เกิดพร้อมกับจิตธรรมะท่าที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มี ห้าสิบเจ็ดไม่เป็นไปตามจิตธรรมะท่าที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีถ้าสิบเจ็ดไม่รคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานธรรมะท่าที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่รคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีห้าสิบเจ็ดไม่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตธรรมท่าที่รคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐาน และเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีธาตุสิบเจ็ดไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตธัมมธาตุที่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตก็มีธาตุสิบสองเป็นภายในธาตุหกเป็นภายนอก ธาตุเก้าเป็นอุปาทายรูปธาตุแปดไม่เป็นอุปาทายรูปธรรมธาตุที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีสิบเอ็ดอุปาทานโคจกกวิสัชนาธาตุสิบกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสั inar, ทธาตุกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือธาตุเจ็ดที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มี ขีกล่มแอนประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีท่าสิบเจ็ดไม่เป็นอุปาทานธรรมธาตุที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีท่าสิบหเป็นอารมณ์ของอุปาทานท่าสองที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีท่าสิบหวิปยุจจากอุปาทานท่าสองที่สัมปยุจด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานก็มี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 กิเลสโคจรวิสัชนาท่าสิบเจ็ดไม่เป็นกิเลสธรรมธาตุที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีท่าสิบหกเป็นอารมณ์ของกิเลสท่าสองที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีท่าสิบหกกิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองท่าสองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีท่าสิบหวิปยุจจากกิเลส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 กิเลสทาให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีธรรมธาตุที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เจ้ามองก็มีที่กิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เจ้ามองหรือกิเลสทําให้เจ้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลส หรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสมโนวิญญาณท่ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสขัมีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสขัมีธรรมท่าที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสขัมีที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลส หรือสัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีท่าสิบหวิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสท่าสองที่วิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีท um> ี่วิปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสิบสาม ปิทีทุกะวิสัชนาท่าสิบหกไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคท่าสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีท่าสิบหกไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามท่าสองที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีท่าสิบหกไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค ถ้าสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีถ้าสิบหกไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามถ้าสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีถ้าสิบห้าไม่มีวิตกมโนท่ามีวิตกทาสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มี ถ้าสิบห้าไม่มีวิจาร์มโนธาตมีวิจารถ้าสองที่มีวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิจาร์ก็มีถ้าสิบหกไม่มีปีติถ้าสองที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีถ้าสิบหกไม่สหรคตด้วยปีติถ้าสองที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีถ้าสิบห้าไม่สหรคตด้วยสุขทาสามที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีท่าสิบเอ็ดไม่สหรูคด้วยอุเบกขาท่าห้าสหรคตด้วยอุเบกขาท่าสองที่สหรูคด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีท่าสิบหกเป็นกามาวจรท่าสองที่เป็นกลามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกลามาวจรก็มีท่าสิบหกไม่เป็นรูปาวจรท่าสองที่เป็นรูปาวจรก็มี ที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีท่าสิบหก <16. S 1> ไม่เป็นอรูปาวจรท่าสองที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีท่าสิบหกนับเนื่องในวัตตทุกขท่าสองที่นับเนื่องในวัตตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ก็มีท่าสิบหกไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตตทุกขท่าสองที่เป็นเหตุนำออกจากวัตตทุกข์ก็มี ที่ไม่เป็นเหตุนำอ Tim Nat อกจากวัตฏุก็มีท่าสิบหกให้ผลไม่แน่นอนท่าสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ททททให้ผลไม่แน่นอนก็ม uh ีท่าสิบหกมีธรรมอื่นยิ่งกว่าท่าสองที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีท่าสิบหกไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ท่าสองที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไ <subscription> ม่เป <temas> ็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ปัญหาปุจชกะจบธาตุวิพังจบบริบูรณ์ 4. สัจจะวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนีอริยสัจสี่คือหนึ่งทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกข สทุกขสมุทัยะอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์สทุกขนิโรธอริยสัจอริยสัจคือความดับทุกข์สทุกขนิโรธคามมณีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หนึ่งทุกขะสัจบรรดาอริยสัจสี่นั้นทุกขอริยสัจเป็นไนชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์บรรดาทุกขอริยสัจนั้นชาติเป็นไฉไหนความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขัน ความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชาติชราเป็นไนความแก่ความคล่ำคลาความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งหงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นไนความจุติความเคลื่อนไป ความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทำกาละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูญย์แห่งชีวิตตินซีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะโซกะเป็นไนความเศร้าโศกปิว ย, ยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผ่าภายในความแห้งกรอบภายใน ความเกลียดใจความโทมนัสลูกศอนคือความโศกของผู้ที่ถูกความเสื่อมยากความเสื่อมโภคทรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโศกะปริเทวะเป็นไนความร้องไห้ความครื่องครวญกิยาที่ร้องไห้ ปริยาที่ครื่มครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่ครื่มครวญความบ่นถึงความพร่ำเพ้อความร่ำไห้ความพิไรรำพันกิริยาที่พิไรรำพันภาวะที่พิไรรำพันของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภคศักด์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ที่ถูกเคแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกขเป็นไนความไม่สำราญทางกายความทุก์ทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายแสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายแสัมผัสนี้เรียกว่าทุกโทมนัสเป็นไนความไม่สาราญทางใจความทุกทางใจ ความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สาราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสน้เรียกว่าโทมนัสอุปายาตเป็นไนความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภกระทรับความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบ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 โคถะเพหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาะแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่พาสุขไม่ปรารถ <Coronavirus. S 1> นาความหลุดพ้นจากโยคะของเขานี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์การพระพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นไนการไม่ไปร่วมการไม่มาร่วมการไม่ประชุมร่วมการไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์ อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร้ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะหรือจากบุคคลผู้ที่มุ่งประโยชน์มุ่งความเพื่อกูลมุ่งความผาสุกมุ่งความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอาหมัดญาติหรือสายโลหิตนี้เรียกว่าการพระพราจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นไฉนเราสัตร์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าไฉนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เราสัสตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเราสัตร์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา เหล่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเหล่าสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกขความโทมนัสและความคลับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกขความโทมนัสและความคลับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกขความโทมนัส และความคับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึนสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกเป็นไนรูปูปาทานขันกองรูปที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเวทนูปาทานขันกองเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัญญปาปาทานขัน กองสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสังขารูปราทานขัน์กองสังขารที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานและวิญญาณูปาทานขัน์กองวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าโดยยอ่ออุปาทานขัน์ห้าเป็นทุกนี้เรียกว่าทุกข อ, อริยสัต ทยสัตว์ทุกขะสมุทัยอริยสัตว์เป็นไนะตัณหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สหรฆ ด, ด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกลามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนปยรูปสารูปเป็นสภาวะที่มีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสารูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสารูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสารูปในโลกจักสุเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักสุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักษุนี้โสตะละถึงในโลกคานะในโลกจิวหาในโลกกายในโลก มโนเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงละถึงในโลกกลิ่นในโลกรสในโลกโผฏฐพะในโลกธรรมเป็นปิยรูปสารูปในโลก ปัญหาในเมื่อเกิดก็เกิดที <richt ing> ่ธรรมนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมนี้จากขูวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขูวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขูวิญญาณนี้โซตะวิญญาณละถึงในโลกคานะวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักขูสัมผัสเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขู่สัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขูสัมผัสนี้โซตสัมผัสในโลกคานะสัมผัสในโลกชิวหาสัมผัสในโลกกายะสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปีรูภสาตูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสในโลก เวทนาที il, hai, ่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปปัญญาความหมายรู้รูปเป็นปิยรูปสารูปในโลก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 เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปปัจสันเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปปัจสันเจตนานี้สัทธสันเจตนาในโลกคันธสันเจตนาในโลกรัะสันเจตนาในโลกโพธพสันเจตนาในโลกธรรมสันเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสันเจตนานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสันเจตนานี้รูปปัญหาความติดใจในรูปเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปปัญหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปปัญหานี้สัทธตัญหาในโลกคันธตัญหาในโลกรสะตัญหาในโลกโพธภาตัญหาในโลกธรรมตัญหาเป็นปิยรูปสารูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธ <ท rid S 1> รรมะตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตัณหานี้รู ป, ปรวิตกความตรึกถึงรูปเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตัอ้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สาธวิตกในโลกคันทวิตกในโลกรัตสวิตกในโลกโพธพาวิตกในโลกธรรมวิตก เป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก <ena> ็เกิดท <rand> ี่รูปวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารนี้ชาวิจารณ์ในโลกคันธวิจารในโลกรัวิจารในโลก โพธพาวิจาร์ในโลกธรรมวิจารณ์เป็นติยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารณ์นี้นี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจ โรธาสทุกขานิโรธาอริยสัตเป็นไนความสํำรอกและความดับตัณหานั้นนั่นแลโดยไม่เหลือความปล่อยวางความสงคืนความพ้นความไม่ติดอยู่ก็ตัณหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนปิยรูปสาทรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาทรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาทรูปนี้ ก็อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกจักษุเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกปัญหานี้เมื่อละก็ละที่จักษุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักษุนี้โซตะในโลกคาณะในโลกชิวหาในโลกกายในโลกมโนเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกปัญหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก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 โสตวิญญาณในโลกภาณวิญญาณในโลกชิวหาวิญญาณในโลกกายวิญญาณในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จกขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จะขุสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่จะขุสัมผัสนี้ โสตะสัมผัสในโลกภาณสัมผัสในโลกชิวหาสัมผัสในโลกกายสัมผัสในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหาหนี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหาี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสนี้ เมื่อดับก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่จากผูสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่คาณะสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสในโลกเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับ ก็ดับที่เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสัญญานี้สาธสัญญาในโลกคันธสัญญาในโลกรัสัญญาในโลกโพธภาษัญญาในโลกธรรมสัญญาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหาี้เมื่อละก็ละที่ธรรมสัญญานี้เมื่อดับ ก็ดับที่ธรรมสัญญานี้รูปสรรเจตนาเป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปสรรเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปสรรเจตนานี้สาธสัญเจตนาในโลกพันธสัญเจตนาในโลกรสสัญเจตนาในโลกโธทพสัญเจตนาในโลกธรรมสัญเจตนาเป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที่ธรรมสัญเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมสัญเจตนานี้รูปปัตนหาเป็นปิยรูปสาจธรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่รูปปัตนหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปปัตนหานี้สัทตันหาในโลกคันธตันหาในโลกร้สัตตันหาในโลกโพธะพตันหาในโลกธรรมตัญหาเป็นปิยรูปสาจธรูปในโลกตันหานี้เมื่อละ ก็ละทีท่ธรรมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกในโลกครันทวิตกในโลกรสาวิตกในโลกโพธพวิตกในโลกธรรมวิตกเป็นปิยรูปสารูปในโลกตัณหานี้เมื่อละ ก็ละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารนี้สัทธาวิจาร์ในโลกคันทวิจาร์ในโลกรัศววิจาร์ในโลกโพธพาวิจาร์ในโลกธรรมวิจาร์เป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละ ก็ละที่ธรรมวิจารณี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารณี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจสีม่มรรคสัจทุกขนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจเป็นไน อริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นแหละคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สสัมมากรรมตตะประทําชอบหสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวายามะพยายามชอบเจดสมมาสติระลึกชอบแปสมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ บรรดาอาริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไ น, น, ค, วน ค, วความรู้ในทุกข์ความทุกความรู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดแทงทุกขความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกขความรู้ในทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไ น, นความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไม่พยาบาทความดําร ajo, ใ veis, ใ Cathy, ใ right? ใิในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคําหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะเป็นไน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 เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่พึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนข้อที่พิกษจ์ในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอุศิธรรมทั้งหลายบรโลกปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร์สงบรังงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีจิตเป็นโอเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และสวยสุขด้วยกายนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจัตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์สุตตันตภาชนีจบ